ยังส่งกระแสออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพิยุทธอารมณ์ได้อีกเรียกว่ามีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำจะรู้ชัดเลยว่าการกระทำมีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทำนี่จะเห็นอย่างนี้นะจนวันที่เป็นพระอราหันต์ผู้กระทำก็ไม่มีการกระทำก็ไม่มีมีแต่กริยามีแต่กริยากะทาแต่ว่าไม่มีการกระทำไม่มีเจตนาที่จะกระทำอะไร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 รู้จิตใจที่เป็นกุศลอกุศลเรียจิตตานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้กระบวนการทํางานของรูปธรรมนามธรรมนะเรียกว่าธรรมานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมทั้งสิน้นะกายนานุ ป, ปัสสนาส่วนของกายเป็นส่วนของรูปธรรมเวทนานุปัสนนปปสนาเป็นนามธรรมแต่เวทนาบางทีก็เกิดที่กายเห็นไหมบางทีก็เกิดที่จิตเกิดร่วมกับรูปธรรมก็ได้เกิดร่วมกับ น, นามธรรมก็ได้